ถ้าสัตว์ละตัญหาได้ก็ประกาศถึงความไม่มีอวิชชาถ้าละอวิชชาได้ก็จกละตัญหาได้เนเพราะ่พวกนี้มันอยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่ถ้ากล่าวไปตรงๆเลยนะตัญหาละด้วยสมถะอวิชชาละด้วยวิปัสนาแต่อันนี้ละโดยถ้าละตันหาด้วยสมถะเป็นวิคัมนณะประหารถ้าละอวิชชาด้วยวิปัสนาเป็นตทางฆ่าประหาร ขณะอริยมรรคเนี่ยสิ่งนี้ต้องคู่กันคู่กันเมื่อไร่อันนั้นเป็นสมุทเชท่าประหารเนี่ยนะจึงจะละได้เด็ดขาดนะถ้ายังแยกๆกันอยู่เนี่ยละกิเลสไม่ได้ขาดจริงๆแต่เมื่อทั้งคู่เนี่ยควบคู่กันเท่าเมื่อไร่เรียกว่าเป็นยุคคณธรรมเนี่ยนะเป็นยุคคณะธรรมเป็นธรรมคู่เป็นธรรมเหมือนเอกก็ขณะนั้นเนี่จึงสา ม, มารถทํากิเละอวิชชาละตัณหาได้ นนะถ้าเราจะรู้ว่าเราถูกอวิชชาห่อไว้มากขนาดไหนก็คือเอาอาริยสัจมาคิดเท่านั้นจะรู้ว่าอาวิชชานี่ห่อขนาดนั้นเนี่ยนะนั้นอวิชชานี่ห่อทั้งภายในห่อทั้งภายนอกเนี่ยนะห่อถูกหมดเลยนะถ้าวิธีคิดถึงผู้ที่ไม่ถูกอวิชชาห่อเนี่ยนะสมมุติถ้าเราเห็นพระพุทธรูปนะเราเห็นพระพุทธรูปคิดยังไงก็เห็นว่าพระพุทธรูปี่เนาะ เอาใครก็เห็นอย่างนั้นนะแต่นีนเราพูดถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ไม่มีอวิชชาอ่างนั้นเถอะนะไม่มีอวิชชาเนี่ยยังทวารตาของพระพุทธเจ้านะจากขู่จากขู่สมุทัยจากขู่นิโรธจากขูนิโรธข้ามินีปฏิปทาเนี่ยพระองค์ทําให้แจ้งแล้วแต่เราอย่างพระพุทธเจ้ามีหูพระองค์เนี่ยหูนะโสตะโสตฯสมุทัยโสตฯนิโรธโสตฯนิโรธข้ามมินีปฏิปทาพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้ว แต่เราก็ยังนั่นน่ะทุกทวารเนี่ยนะเราจะไล่ไล่ไปอย่างนี้จะเห็นว่าพราะองค์เป็นผู้มีวิชาเราเป็นผู้มีอวิชาพราะองค์รับอารมณ์ใดนะทุกอารมณ์ที่พระองค์รับเนี่ยพิจารณาอย่างท้วนทีหมดเลยเนี่ยนะทั้งโดยอาสาธาอาทีนวานิสรณะของทุกอารมณ์แต่เราเนี่ยยังไม่ได้ทันพิจารณาทุกอารมณ์นะแต่ว่าหลายอารมณ์ไปแล้วล่ะนั่นนะเราก็เริ่มพิจารณาอย่างนี้มากๆขึ้น อย่าลืมนะข้อปฏิบัติในผู้ศาสนาคืออะไรคือการพิจารณาเนีย่ยนะเพราะถ้าอยู่เฉยๆแล้วเป็นการปฏิบัตินั่งนิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรเลยนะโอยใครโมหามากกับเพื่อนได้ดีกว่าเพื่อนเลยเนีย่ยนะแต่นี่หมายถึงว่าตัวพิจารณาเรียกว่าเป็นตัวปฏิบัติเพานผู้ที่พิจารณามากก็เป็นผู้ที่เจริญปัญญามากถ้าผู้มีปัญญามากเขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิใช่ไหม ถ้าผู้นั้นมีสัมมาทิฏฐิเขาหวังว่าจะมีอะไรต่อสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะนะเพราะผู้ที่มีความเข้าใจถูกมีการพิจารณามากการพิจารณาของเขาจะเป็นเนคขมมะสังกัปปะเนี่ยนะนะคนนี้คิดอะไรบ่อยมันก็พูดอันนั้นแหละมากดูวนะ่าถ้าใครนะพลาอยู่นิ่งๆเสร็จแล้วพอคุยกันเดชะฉานคาถาไหนที่เขานิ่งอนั่งคิดเดชะฉานกถาตลอดนะแต่ถ้าเขาอยู่นิ่งๆพอเจอพวกเขาสนทนาธรรมเลยนะแสดงว่าเขาคิดธรรมะโดยมาก อันนี้ก็พอบอกนะก็เรื่องที่เราจะคุยโดยมากคือสิ่งที่เราคิดมาก่อนน ม, มันก็บอกถึงสังกับปะเหมือนกันนะว่าจะเป็นมิจฉาสังกับปะหรือสัมมาสังกับปะก็สังเกตได้จากวาจาเนี่ยนะก็ดูได้จากวาจาทีนี้ถ้าวาจายังไงนะคนก็จะไปทำอย่างที่วาจานั่นแหละพูดก็เอาเรื่องปัญญาเนี่ยมาพิจารณาบ่อยๆถ้าอาวิชชาเนี่ยนะ ถ้าเราจะรู้จักอวิชชาดีก็ต่อเมื่อมีวิชาถ้าตราบใดที่ยังสํานวนว่าถ้ายังเดินหลงทางอยู่นะหรือเดินแบบคนไม่รู้ทางอยู่นะจะจะเข้าใจได้อีกทีเมื่อเมื่อรู้ทางแล้วหรือคนหลงทิศเหมือนกันนะคือคนไม่รู้ทิศนะจะรู้อีกครั้งว่าตัวเองหลงทิศจริงๆต่อเมื่อรู้ทิศที่ถูกจึงจะรู้ว่าตัวเองหลงทิศการที่เราจะรู้ว่าเรามีอวิชชาก็ต่อเมื่อมีวิชาเพราะฉะนั้น จึงเอาอริยสัจมาคิดบ่อยๆจึงจะรู้ว่าเราเนี่ยถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้จริงๆก็มาสิกาอารมณ์ใดพอที่จะให้เห็นอริยสัจบ้างอะ่ะเอาตรงนั้นแหละถ้าจะมีแสงร่ําไรพอจะมีวิชากับเข้าบ้างก็อยู่ตรงนั้นแหละนะเราบอกเบื้องต้นเนี่ยที่จะให้เห็นอริยสัจได้ง่ายกับเพื่อนคิดอะไรคิดเรื่องพระพุทธเจ้าอ่านะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่จะให้เห็นอริยสัจง่ายกับเพื่อนเพราะพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจใช่ไหม อย่างที่สองคิดถึงคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ก็ทําให้เห็นอริยสัจขึ้นหรือมานสิการถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าขณะนั้นก็เป็นการพิจารณาเริ่มเข้าใจอริยสัจมากขึ้นเพราะพระสงฆ์ที่ท่านถึงความเป็นสงฆ์เพราะท่านเห็นอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะถ้าพื้นฐานตรงนั้นไม่เข้าใจนะดึงมาลงอย่างนี้มันลงไม่ได้หรอกไม่รู้จะลงว่ายังไง น, นะสมมุติว่า เออเนี่ยทุกนะทุกเพราะไม่เที่ยงชาติปีทุกขาชร า, าปีทุกขาเดี๋ยวก็ตายแล้วเอ๊ะแช่งเขาหรือเปล่าเนี่ยชักไม่ค่อยแน่ใจนะเอเจริญอย่างนี้เจริญถูกหรือเปล่าเนี่ยนะมั้นก็จะเริ่มสับสนเริ่มงงไปหมดเพราะฉะนั้นสุตตามยาญาณการฟังตั้งกรแรกให้เข้าใจอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะสำคัญมาก น, นะเขบอกว่าฟังแล้วฟังอะไรไม่ออกเห็นคุณพระรัตนตรัยก่อนเป็นเบื้องต้นก็ก็ดีแล้วผู้ที่เห็นคุณพระรัตนตรยัย แล้วนับถือพระรัตนตรัยเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อโสดาปฏิมักเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิมักทีนี้ถ้าตั้งคําถามว่าผู้ที่รู้คุณพระรัตนตรัยเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระโสดาบันอย่างไรนะให้ทานกับบุคคลเ น, นี้กับให้ทานกับฤาษีนอกาศาสนาที่ได้สมาบัต 8, ิแปอภิญยาห้าอันไหนจะมีผลมากกว่ากันสองคนนี่นีของเรารู้คุณพระรัตนตรัยอะ กับผู้ที่ได้ชามเนี่ยนะอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันอัน น, นัก็บอกว่าให้ทานกับผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยนะคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้รู้คุณแล้วนับถืออ่ะเรียกว่าถึงไตรสนรณคมเนี่ยมีผลมากกว่าให้ทานกับนัก บ, บวชนอกาศาสนาที่ได้อภิญญาสมาบัติเนี่ยนะอันนี้ในอัตกถาสันเลขสูตรเนี่ยนะกล่าวไว้อย่างนั้น ซึ่งสารเลสูตรก็อ้างอ้างอะไรอ้างทักทีนาวิพังขสูตรเนี่ยนะมันวิ ช, ชาเนี่ยถ้าจะประตูแห่งวิ ช, ชาจะมีได้ก็คือการระลึกนึก ถ, ถึงคุณของพระรัตนไตรยัยแล้วพระรัตนไตรัยแนะนําอะไรเราบ้างขนทางเพื่อจะให้มีวิ ช, ชานะเนีเอาใหม่ก่อนวิ ช, ชาเนี่ยระดับไหนจึงจะเรียกว่าวิ ช, ชาอย่างแท้จริงขณะมักนะจึงจะเรียกว่าเป็นวิ ช, ชาแล้ววิ ช, ชาเหล่านั้นน่ะจะเกิดได้ยังไง เนี่ยนะก็ย้อนไล่ลงมาที่ไตรสิกขาใช่ไหมมาจากปัญญาสิกขามาจากจิตตสิกขามาจากศีลแสิกขาแล้วเจริญศีลแสิกขาได้ยังไงเนี่ยนะหรือว่าเรานั่งกันอยู่เนี่ยก็นั่งง่วงบ้างหลับบ้างตื่นบ้างอย่างเงี้ยถามว่ามีศีลไม่ห่ะมีหรือไม่มีศีลเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลขนาดที่อกุศลก็ไม่ใช่ศีลใช่ไหมแล้วทํายังไงจริงจะมีศีล อาวชนะใช่ไหมท่านก็บอกว่าศิกขาสินเป็นสิกขาใช่ไหมเมื่อนึกถึงนึกถึงคํานึงอะนะอาวชนะเมื่ออาวัชนะก็เป็นสินนะเมื่อรู้ก็เป็นสินเมื่อเห็นก็เป็นสินเมื่อพิจารณาก็เป็นสินเมื่ออธิษฐานจิตก็เป็นสินเมื่อสมาทานก็เป็นศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน้อมจิตไปด้วยศรัทธาเป็นต้นนะอบรมอินทรีย์เป็นต้นก็เป็นการเจริญศีและสิกขาเป็นต้นั้นถ้าไม่มีศิกขาเหล่านี้เป็นคุณธรรมเลยเราจะไม่รู้ว่าตัวเองนี่ถูกอวิชชาห่อเอาไว้ เนี่ยนะเพราะเรามีจักขู่วิญญาณอยู่ให้มีแสงสว่างนะครับแสงสว่างในโลกอยู่มีดวงอาทิตย์สองให้เหมือนกับเห็นสีเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้เราก็เลยนึกว่าเราเนี่ยไม่มีอวิชาห่อหุ้มแต่ที่ไหนได้บอดตาใสาเลยนั่นะก็โอ้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราบอดตาใสาแล้วก็พอจะสว่างได้บ้างนะแต่ถ้าบอดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าบอดนี่ก็สนิทเลยทีนี้ถามว่า เอาทั้งๆ ท, ที่อวิชามันหุ้มหอ่อไม่ให้เห็นอริยสัจอย่างนี้นิวนณ์กลุ่มรุ ม, มแบบนี้อทํทำไมเขาไม่ปรากฏละ่ะเขาน่าจะรู้ตัวนะใช่ไหมถ้าโดยคาถามน่นะเขาน่าจะรู้ตัวว่ า, เ, าเขาเนี่ยงโง่เขานี่มีอวิชาเขานี่นิวนณ์กลุ่มรุ ม, มเขาน่าจะภากเพียรปฏิบัติให้มีวิชานะแต่ว่าไม่หรอกถามว่าเพราะอะไรเพราะความสงสัยเพราะความประมาท นะเพราะเขาสงสยัยจริงรึเปล่ารู้ถ้าถ้ารู้วิถ้ามีวิชาเห็นอริยสัจมันดียังไงใช่ไหมอันนี้เขาก็สงสัยก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจมันดียังไงพระธรรมคำสอนที่สอนอริยสัจมัดียังไงพระสง์ที่ปฏิบัติ บ, ตบรรลุอริยสัจไม่เห็นสนุกเลยเนี่ย ไ, ไม่เห็นสนุกเหมือนเราเลยอะไรเป็นต้นเนี่ยก็สงสัยก่อนใช่ไหมถ้าสงสัยแล้วที่เหลือก็ประมาทเนี่ยไงประมาทนี่คืออะไรคือการปล่อยจิตไปในการมคุณทนนะโดยโดยศัก์ก่อนนะ ความประมาทเนี่ยคือความปล่อยจิตไปในกามะคุณหปล่อยใจไปในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆเนี่ยนะการใส่ใจในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าประมาทเนี่ยนะเรียกว่าประมาททีนี้หรือว่าการเพิ่มภูลทุจริญทั้งหลายเนี่ยนะคือถ้าใสา่ใจโดยโด ย, โดยสุภาณนิมิตปฏิฆานิมิตในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะติดตามมาด้วย ทุจริตสาเนี่ยนะกายทุจริตว จ, จีทุจริตและมโนทุจริตอันนี้เรียกว่าประมาททีนี้ถ้าบุคคลเหล่านั้นถึงเจริญกุศลก็เจริญกุศลแบบขาดขาดวิ่นวะินนะเนีเจริญกุศลแบบไม่ต่อเนื่องทําแบบขาดขาดเนี่ยนะทำแบบไม่ไม่ปฏิปะตะ อ, อย่างนี้แหละเรียกว่าประมาท ถ, ถามว่าคนประมาทเหมือนอะไรคนประมาทเหมือนอะไรเหมือนคนตายแล้ว ก็ชีวิตของเขาเนี่ยสักว่าเป็นอยู่ด้วยลมหายใจเท่านั้นเองกุศลไม่เกิดอ่ะนะทีนี้ผู้ที่จริงๆอ่ะนะพื้นฐานจริงๆเข้ามาจากความสงสัยนะที่เขาสงสัยเนี่ยโดยปกติเนี่ยเนื่องจากเขาไม่รู้เนี่ยนะนะเพราะอาวิชชานะเขาสงสัยเขาสงสัยอะไรบ้างเขาสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนที่ไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเราจะบอกว่าเราไม่สงสัยได้ไหม ไม่ได้ในในเพรา ะ, ะนั้นก็ผู้ที่ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้านะเพราะสงสัยอันดับแรกหนึ่งสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระพุทธก็สงสัยเป็นสองลักษณะสงสัยในร่างกายในสรีระอย่างที่สองก็สงสัยในตัวคุณธรรมรสงสัยในสรีระคุณก่อนพระพุทธคนที่มีรูปร่างกายแบบนี้หรือเป็นพระพุทธเจ้าสภาพจิตท่านรู้ขนาดนั้นเลยหรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าสงสัยสองอย่างสงสัยจริงหรือเปล่าพระองค์บําเพ็ญบารมีมา ว่าจะสงสัยตามมาอีกบานถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดหรือสอนเป็นคําสอนใช่ไหมเป็นพระธรรมถามว่าจะสงสัยในพระธรรมด้วยไหมก็สงสัยในพระธรรมด้วยแล้วผู้ที่ปฏิบัติจนบริบูรณ์เนี่ยนะบรรลุทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าพระสงฆ์ก็จะต้องสงสัยในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยท่านแนะนํำยังไงแนะนําเรื่องศีขาสาม แนะนำเรื่องอธิศีและศิกษาที่จิตติึกษาที่ปัญญาศิกษาถ้าสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์สงสัยในศิกษาด้วยเออศิกขานี่ช่วยให้เราบรรลุจริงหรือเปล่าเนี่ยนะมาเจริญอย่างเงี้ยรักษาศีลเนี่ยเดือดร้อนจังเลยไนะจะเทของร้อนๆก็ต้องระวังอย่างไั้นหรือเปล่ายมพขาวางเงโอยทไมมันชักยุ่งๆุ่งอยู่เหมือนกันว่างั้น ที่จริงผมมาเนี่ยแน่าจะดีใจนะเออเมื่อก่อนนี้ทําไมเราประมาทขนาดนี้นะนะตอนนี้ชั้นมีสาระบ้างนะเริ่มมีศีลเป็นสาระโลกนี้จริงๆอะไรเป็นสาระศรีระร่างกายของเราเอาเป็นสาระส่วนไหนได้บ้างในร่างกายเลยเนีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระคือศีลเป็นสาระสมถะเป็นสาระวิปัสนาเป็นสาระนั่นแหละศีลสมาธิปัญญาเป็นสาระเพราะฉะนั้นเรื่องเราเริ่มมีศีลเมื่อไหร่เราก็เริ่มมี สาระของชีวิตมากเท่านั้นเนี่ยนะก็ควรจะดีใจโอ้เมื่อก่อนนี้ทําไมไม่มีสาระอะไรเลยเนี่ยนะก็เห็นชัดนะนะสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในศีกขาสประการนะใช่ไหมทีนี้ต่อไปอะไรอีกสงสัยอะไรสงสัยในอดีตสงสยัยเอ้เราเนี่ยเคยมีหรือเปล่านาะในอดีต น, นะเราเคยมีหรือเราไม่เคยมี เราเคยถ้ามีแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรเราเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรต่อไปสงสัยอย่างงี้ใช่ไหเอเรามีหรือเราไม่มีในอดีตถ้าบอกว่าถ้าเรามีในอดีตเป็นกลุ่มพวกสัตตตถิฐิถถ้าเราไม่มีก็แสดงว่าเราเพิ่งเกิดลอยๆก็เป็นอธิจัสมุปปณะธิฐิเนี่ยเนี่เอะเรามีแล้วเราเป็นเป็นเป็นใคร่างเ้โดยวันนะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพรย์หรือเป็นสูตรเนี่ยนะย ให้ hey, เราเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรต่อไปเนี่ยนะแล้วเราเป็นยังไงอะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวดทรงเป็นยังไงนะก็สงสัยเนี่ยนะสรุปแล้วเรามีหรือเราไม่มีนาดิตเรามีหรือเราไม่มีแน่แน่นะงั้นก็ลึกชาติคืองั้นที่สอนว่าอดีตชาติล่ะเป็นยังไงขัดกันไหมล่ะถ้าบอกว่าเราไม่มีในอดีตอา่าแล้วเรื่องอดีตชาติอ่ะก็ คือเราอ่ะไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นในการใดจริงๆก็ไม่มีเราอยู่ดีตอนนี้หาเราได้ไหมตอนนี้หาพบไหมแล้วในอดีตมันก็ไม่มีเรามันมีแต่อะไรมีแต่ขันห้าที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะนผู้ที่รู้อัรู้ในปัจจัยจึงจะละไอความสงสัยในอดีตเหล่านี้ได้ทีนี้ถ้ารอัปรู้ขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยจะไม่สงสัยในอนาคตอีกว่าเรามีหรือเราไม่มีตกลงเรามีหรือเราไม่มีกันนี้ คุณนเรามีหรือไม่มีอนาคตเนี่ยแต่ลงมีหรือไม่มีอนนะไรก็บอกว่าเราไม่มีแต่ไม่ใช่อนาคตไม่มีเราอะไม่มีไม่มีอยู่โดยสภาพที่เป็นจริงแต่อุปาทานขันในอนาคตเนี่ยจักมีเนี่ยนะจักมีเพราะอะไรเพราะปัจจัยที่เป็นเชื้อให้มีในอนาคตมันยัง ยังไม่สิ้ น, นนะาาเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยสนทนากันมันเหมือนอย่างนี้นะเหมือนกับคนเขาเข้าใจว่าเขาพูดแบบสมัยที่ทีท่บ้านนอกเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเนี่ยนะพวกเครื่องยนต์กลไกไม่ถึงบ้านนอกอะ่ะตีนี้ตอนเขาก็มีถนนหนทางเริ่มกระจายไปก่อนนชะก็จะมีอรถแมคโครเนี่ยไปขุดถนนเนี่ยนะขุดดินสร้างถนนเนี่ยมันก็ขุดทั้งวันทั้งคืนอะ่ะ ทีนี้ตาบมม้านนอกทั่วไปเนี่ยพวกตาพวกยายทั้งหลายเขารู้แต่จากวัวจากควายเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาไถานานเนี่ยนะไถด้วยวัวด้วยควายก็สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะปลดมันแล้วสงสารมันแต่ทีนี้เอ้แอดทำไมรถเนี่ยมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วมันก็ร้องควรวญครางมันน่าสงสารมากเลยอ่ะนะมันน่าสงสารมากเลยรถคันนั้นอ่ะ น, นะแม่โครเนี่ยโอ้ยสงสารเมื่อไหร่จะเลิกสตีสงสารมันดูที่มันร้องอ่ะร้องใหญ่เลย นี่ครับเขาตัง้งคําถามมาเออแล้วรถไมโครเนี่ยมันตายแล้วมันจะเกิดอีกหรือมันไม่เกิดอีกอนะเราจะตอบเพราะว่าไงตอบว่าไงคุณนุชฮะอา่อางั้นถ้ารถไมโครมันตายแล้วมันเกิดอีกหรือมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเพี้ยนตามก็หรอกไปคิดตามเนี่ยเราก็หนักาก็ยากอีก นะเพราะจริงๆอะ่ะคือมันไม่รถนะ่ะตัวรถอะ่ะมันไม่ได้มีความเป็นสัตว์อยู่ในนั้นอย่างแท้จริงอ่ะนะทีนี้ถ้ามันเสียจะซ่อมได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ที่เหตุปัจจัยอ่ะนะจะสืบเนื่องใช้นานหรือใช้ไม่นานก็อยู่ที่ปัจจัยอุปาทานขันทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนะคนแยกมันไม่มีอะไรหรอกนี่ถามว่าตายีกหรือเกิดอีกอะ่ะมันก็ไม่มีสัตว์อยู่แล้วแต่ถ้าอุปาทินะกะขันทั้งหลายเกิดจากอะไรก็เกิดจาก วิบาก เ, เกิดจากกรรมถามว่าความเป็นกรรมยังมีไหมตอนนี้ถ้ามีกรรมอยู่เจตนาก็จะมีผลต่อไปใช่หัหยถามว่ารู้ได้ยังไงว่ากรรมมีอยู่ก็เพราะยังกิเลสยังไม่สิน้นทีนี้อาการบัญญัติโวหารอย่างนี้ว่าเป็นเราแต่เป็นโวหารไม่ได้มีอยู่จริงแต่ปุตุชนผู้ไม่ได้ทำปริญญาสาคัญว่าเป็นจริงสาคัญว่าเราจริงๆเนี่ยนะรอบด้วยอะไรด้วยอานาจของตามอะไร อัตวาทู่ปาทานไปสําคัญว่าเป็นเราจริงๆเข้าเหตุผลก็คือเขาไม่ได้สดับเขาไม่ได้ทําปริญญานั่นเองพระองค์ตรัสว่าเพราะเขาไม่กําหนดรู้อ่ะนะในมูลปริยัสูตรเนี่ยมัชฌิมนิกายยกขึ้นมาเป็นสูตรแรกเลยเพราะเขาไม่กําหนดรู้อ่ะไม่ทําปริญญานั่นแหละไม่ทํายาตะปริญญาตีรณาปริญญาปหานะปริญญาในสิ่งเหล่านี้เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเข้าใจผิดเขาจึงสําคัญผิดเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่กําหนดแยกแยะปัจจัยเนี่ยรู้ ก็ไม่สงสัยในอนาคตแต่คนทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งเอ้เราตกลงเรามีหรือเราไม่มีในอนาคตถ้าเรามีเออเราก็ต้องให้ทานไปนะพอให้อคิดอีกพักหนึ่งเอ้เราก็ไม่มีถ้าไม่มีก็เลยไม่ทําบุญอีกแล้วนะทํามั่งไม่ทําบั่งไม่รู้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่างั้นนะอันนี้คือสงสัยก็สงสัยในอนาคตใช่ไหมพอสงสัยอะไรก็ประมาทสิสงสัยอย่างนี้ก็ประมาทบุญก็ไม่ทํานะอะไรก็ไม่ทํานนะมันก็เลยบอกว่า เมื่อวานสนทนาการเรื่องมรณานุสติว่าถ้าคนที่เจริญมรณานุสติไปบริโภคกามมากขึ้นชื่อว่าเจริญถูกหรือเปล่าเราเนะี่ยบอกว่า โ, โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นตรงโน้นเรายังไม่ได้เที่ยวก็รีบไปให้หมดซะก่อนอาหารโน้นเราก็ยังไม่ได้ทานนะต้องรีบทานให้ก่อนอีกหน่อยล้วก็ตายแล้วอันนี้ก็คิดเรื่องตายใช่ไหมแต่คิดอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คิดอย่างนี้แล้วก็เป็นแสดงว่าถ้ากลุ่มเรียกว่าจะต้องรีบบริโภคกามให้เพียงพอก่อนตาย พวกนี้พื้นฐานเป็นอุเฉธ ท, ทิฏฐิๆๆๆๆพื้นฐานนะแต่ถ้าพวกคิดว่าตายแล้วต้องเกิดอีกก็โดยมากเป็นสัตตทิฏฐิแต่ว่าถ้าแยกแยะโดยความเป็นขันห้าสิ่งเหล่านี้ต่ไหลไปตามกระแสของปัจจัยเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยนะก็เป็นขันอายตนาธาที่ไหลสืบเนื่องกันไปตามกระแสแห่งเหตุสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย แต่ว่าผู้ที่สงสัยพอสงสัยเข้าเนี่ยนะคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันห้าเรื่องปัจจัยการสอนขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยคือกรมมสกตาเนี่ยนะก็คือกรรมมสกตานะกก ร, ร์นั่นเองคือโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่เห็นภายในขันห้าคือคนที่ทับบริจาคขันห้ามากกว่าเพื่อนทําบุญมากกว่าเพื่อน คือในชั้นแรกนะสมมติว่าใครที่ที่รู้จักขันท่าเห็นภัยในขันท่าเขาเริ่มบริจาคขันท่าออกไปบริจาคอะไรบริจาคมหาพูดอย่างการให้ทานคือการสละมหาพูดนะว่าตรงๆจะไหมเริ่มสละมหาพูดออกไปเช่นเนี่ยก็คือมหาพูดเริ่มให้มหาพูดออกไปเพราะไม่ต้องการมหาพูดที่น่ารังเกียจแล้วก็จะเริ่มบริจาคมหาพูดส่วนเลอมารักษาศีลขึ้นก็เริ่มบริจาคมหาพูดที่ใน อบายออกไปเพรา ะ, ะนั้นผู้โสฬสินทั้งหลายก็คือบริจาคมหาพูทในอบายถ้าบอบรมสมถะทั้งหลายก็บริจาคมหาพูทที่เป็นกามาวจรเนี่ยนะที่เป็นกามาวจรถ้าเจริญอรูปฌานทั้งหลายพวกนี้บริจาคมหาพูทโดยโดยวิคัมพนะปะหาเนี่ยบริจาคแม้กระทั่งรูปาวจรออกไปทีนี้ถ้าเขามีปัญญาจริงก็จะออกจากแม้กระทั่งนามมาทําอีกนะบริจาคนามมาขันออก เขจึงบอกว่าผู้ออกจากรูปด้วยอรูปออกจากอารูปคือนามด้วยมรรคก็จะเริ่มออกไปเรื่อยๆเป็นการออกท่านการออกโดยที่ยังติดอยู่ด้วยออกด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการออกจากวะตะัตฏะจึงเป็นนักให้อย่างแท้จริงเพราะให้เพื่อจะบริจาคมหาพูดออกไปเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็คิดมันท่านจึงให้ทานมากขึ้นบริจาคมหาพูดมากขึ้นศีลดีขึ้นคุณธรรมทั้งหลายแหละเนี่ย ดีขึ้นเพราะต้องการเสียสละอุปาทานขันออกไปเห็นว่าอุปาทานขันนี่เป็นอามิตรเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นอามิตรเรียกว่าเยื่อของมัจจุมานทั้งนั้นเลยนะเพื่อนก็สละที่สุดเท่าที่จะสละออกไปได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบบุคคลทั่วๆไปก็โดยทั่วๆไปนะเอาเป็นประมาณไม่ค่อยได้เนี่ยมีอยู่บทหนึงว่ า, าวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร แล้วก็ถามว่าอา้อาวอวิชาเป็นปัจจัยทั้งบุญด้วยทำไมอวิชามจึงเป็นปัจจัยแก่บุญทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรารูปาวจรทำไมอวิชามันเป็นปัจจัยให้ทำบุญได้แล้วก็อุปมาว่าธรรมดาคนตาบอดเนี่ยนะบางครั้งก็เดินถูกทางบางครั้งก็เดินผิดทางเพราะฉะนั้นคนที่ถูกอวิชาหุ้มหอก็ลักษณะนี้เอาเป็นประมาณไม่ค่อยได้นะแต่เป็นชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ย ท่านจึงบอกว่าคําของผู้ไม่รู้เอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะฉะคําสอนว่าอย่างไงก็ต้องว่าไปตามนั้นไปทัวในครั้งหนึ่งว่าบุคคลผู้ถูกนิวรนทั้งหลายหุ่มหอ่อความก็จะเกิดความสงสัยใช่ไหมที่แรกนะที่เขาสงสัยเนี่ยนิเพราะนิอวิชาก่อนอวิชาเป็นมูลของนิวรนเมื่อนิวรนกลุ่มรุมมากแลว้วนะก็สงสัยพอสงสัยอ่านะ ผู้ที่สงสัยก็ย่อมไม่เชื่อกรรมและไม่เชื่อผลแข่งกรรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเรียกว่าปฏิเสธอะไรนะอุปาทินนุปาทานิยาธรรมานะปฏิเสธว่าเออเนี่ยกรรมมันนี่มีผลอย่างนี้นะผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้นะที่จริงผู้ที่มีกรรมสกตาเนี่ยนะเห็นวิบากกรรมมาชรูปตอนนี้น่าจะสาวไปหากรรมได้ไหมได้เห็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตอนเนี้ยพอจะมองมีเห็นวิบากต่อไปข้างหน้าได้ไหมอันนี้แหละเรียกว่ามีกรรมสกตา ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็ก็ไม่มีกรรมมากตาไม่มียังไม่พอปฏิเสธอีกไม่เอาอีกฟังเรื่องนี้ก็ฟังแล้วไม่สบายใจอีกก็มีแต่คนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ค่อยไม่ใช่เป็นคนดีสักเท่าไหร่โดยพื้นฐานนะใครที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอ่ะโดยมากไม่ใช่คนดีสักเท่าไหรเนี่ยนะถึงดีก็ดีแบบจำยอมเนี่ยนะโดยมากก็ไม่ค่อยดีนั่นเองบางคนนี่เขาบอกว่าถ้ากรรมมีจริงอ่ะโอ้โหฉันจะไปรับวาดไหวเลยเนี่ย เห็มมันพวกที่สงสัยก็ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีความเพียรใช่ไหมปกติความเพียรในโลกนี้คือเพียรเพื่อละอกุศลเพียรเพื่อทำกุศลเนี่ยให้ประจักษ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบุคคลนั้นประกอบความประมาทเนืองๆเป็นผู้ประมาทอยู่ในศาสนานี้ถ้าผู้ประมาทนะถึงจะบวชเข้ามาก็ตามก็ไม่ยังกุศลธรรม ที่สะอาดหมดจดให้เกิดขึ้นสะอาดหมดจดอันนี้เป็นชื่อของโวทา น, นธรรมเนี่ยนะเป็นชื่อของสมถะวิปัสนาเพราะฉะนั้นถ้าประมาทไม่ยอมที่จะละบาปละอกุศลทั้งหลายอยู่ในศาสนานี้ก็ไม่ยอมสมาทานกุศล ไม่ยอมให้สมถาวิปัสนาเนี่ยเจริญ ง, งอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปมานสิการถึงกรรมผลของกรรมก็ไม่เอามานสิการถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อเป็นต้นก็ไม่สนใจเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ยังโวทานธรรมให้เกิดขึ้นกุศลธรรมมีศีลสมาธิเป็นต้นนั้นที่ตนไม่ทําให้เกิดขึ้นย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้ประมาทนั้น น, นะคนประมาทเนี่ยนะสมะถาวิปัสนาก็ไม่เกิด ทีนี้ถ้าคนที่ไม่มีอัธยาศัยที่จะให้สมถาวิปัสนาเกิดเป็นยังไงนะเพราะงั้นก็ยกคาถาในคาถาธรรมบทว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายแม้อยู่ไกลก็ย่อมปรากฏแก่บัณฑิตทั้งหลายเหมือนภูเขาหิมะวันแม้อยู่ไกลก็เห็นได้ฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทมุ่งที่จะอบรมสมถาวิปัสนานะเขาจะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็มองเห็นแล้วก็จะไปสอนสมถาวิปัสนาให้เขา ให้เขาบรรลุผู้ที่อบรมสมถาวิปัสสนาถึงที่สุดคือบรรลุมัชนะเพราะจุดที่สุดของสมถาวิปัสสนาคือมัช ก, ก็ดูว่ามีอุปนิสัยสมถาวิปัสสนาไหมถ้าไม่มีบอกว่าพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นเหมือนอะไรเหมือนกับอาศาัตรุษทั้งหลายแม้อยู่ใกล้ก็ย่อมไม่ปรากฏเนี่ยนะแกบัณฑิตในาศาสนานี้เหมือนลูกศรที่เขายิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้น เพราะฉะนั้นผู้ที่ประมาทผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญผู้ที่ไม่อบรมส ม, มถาวิปัสสนานะพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นองนั้นเนี่นั้นสมยัยพุทธ ก, กาลเนี่ยพระองค์มองดูแล้วนะตอนนั้นไม่มีวแววเลยอะ่ะไม่มีวีแววเลยนะก็เลยรุ่นเขียนจดมหมายไว้ให้ก็ดีละยังท่า น, นยังกรุณารักษาปัตติปิฎกไว้จนถึงรุ่นเราได้เรียนกันเนี่ยนะไม่งั้นหนักกว่านี้เยอะ สัพ์บุรุษทั้งหลายเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยคุณชื่อเสียงและบริวาร น, นั้นผู้ที่ไม่ประมาทนะก็จะมีคุณธรรมคือศีลเนี่ยนะนะคือเป็นผู้ที่ให้ทานผู้ที่รักษาศีล น, นะจะเป็นเหตุแห่งการมีชื่อเสียงเนี่ยนะนะผู้ให้ทานมากผู้มีศีลมากเขาจะมีบริวารมากนะผู้ให้ทานเนี่ยก็อยู่ในหลักของสังหาวัตถุใช่หมมีทานดีศีลดีก็อยู่ในสังขารวัตถุชื่อเสียงก็ดีบริวารก็ ก็มากอะ น, นะคนที่บริวารเยอะๆนี่ไม่ใช่ว่าเอาบริวารมาใช้งานอย่างเดียวเลยนะบริวารจะอยู่ด้วยไหมไม่คนที่มีบริวารคือคนที่ให้ผลประโยชน์กับบริวารได้ถ้าให้ผลประโยชน์กับบริวารไม่ได้บริวารไม่อยู่ด้วยหรอกเนี่ยนะเพาะนั้นผู้ที่มีบริวารมากก็แสดงว่ามีคุณธรรมมากเนี่ย น, นะทวนอีกครั้งว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ปรากฏไม่แจมแจ้งหรือที่เรียกว่ามืดมิดจมกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสงสยัยเพราะ ประมาทเนี่ยนะก็อย่างคนไม่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะเขาเข้าสงสยัยสงสัยในพระไตรปิฎกบางคนเนี่ยเขาสงสยัยอะไรสงสัยต้องแปลผิดบ้างแหละสาสาก็ต้องตกบ้างแหละคำนั้นก็หาเรื่องจนไม่อ่านเลยอะ <c oughs> คนที่คนที่ไม่มีศรัทธานี่มาหาเหตุผลจนอะไรนะจนจะเรียกว่ า, าวันอาทิตย์มีการฟังธรรมนะบอกโอ้ไม่ว่างอันนี แต่จริงๆอ่ะตอนก่อนที่จะคุยเรื่องนี้อาจจะว่างอยู่นะพอคุยเรื่องนี้ปั๊บก็เริ่มมีธุระเข้ามาแล้วงานโน้นก็ยังไม่ได้ทาโดยที่สุดจานยังไม่ได้ล้างนะผ้าก็ยังไม่ได้ซักหาเหตุผลจนไม่ต้องฟังแบบั้นนะเหหนั้นพวกนี้ก็จะลักษณะเนี้ยพวกนี้ไม่ค่อยปรากฏนะก็อยู่ด้วยความสงสัยจมอยู่ด้วยความประมาทนั้นคำถามที่สองผ่านไปนะว่าถามว่าสัตว์โลกเนี่ยไม่ปรากฏเพราะอะไร ผมก็ตอบว่าเพราะสงสัยกับเพราะความประมาทคําถามที่สมว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาสัตว์โลกเนี่ยนะพระองค์ตอบว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาสัตว์โลกตันหาท่านเรียกว่าชับปาก็คือชับป่าพิ่เลปนังเนี่ยนะมันตันหาท่านเรียกว่าชับปาตันหานั้นฉาบยังไงเนี่ยนะตันหาฉาบสัตว์นะเขบอกว่าสัตว์โลกผู้มีราคะย่อมไม่รู้อัด ย่อมไม่เห็นทำ ร, ราคะเบียดเบียนบุคคลใดความมืดอย่างยิ่งย่อมมีแก่บุคคลนั้นในการนั้นอะไนงี้ยางถามว่าตอนที่เราหิวข้าวเต็มที่เลยเนะ่ยโอ้โหอยากกินมากเลยอ ะ, อะเจออาหารที่อร่อยตันหาชอบมากนะตอนนั้นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเกิดไหมไม่เกิดนะไม่รู้อัจไม่เห็นทำเลยนะคิดถึงศีลเลยไมยไม่คิดคิดถึงฐานนะกุศนามากไหม เว้นไว้แต่หลายคนที่อบรมมานะครับผู้การก็าบอกก็ต้องให้ก่อนก็ใหทานนาะแต่บางคนโดยมากมันเ่เป็นอย่างนั้นเน่ยนะกินจนอิ่มน่ยโอ้โหไอ้คนนั้นก็ยังเนี่ยเนเริ่มนึกแล้วเพราะนั้นพวกที่ตันหาครอบงำเนี่ยแม้แต่ทานนักุศลยังไม่รู้จะกล่าวไปลายถึงกุศลชั้นสูงอีกต่อไปเนี่ยนะผู้ที่ตันหาฉาบทานเนี่ยนะศีลกุศลก็นึกไม่ออกสมถะอาหารเรปฏิกูลสัญญายิ่งไม่มีเลย อ๋นะถ้าในโต๊อาหารเนี่ยเจริญศีลและศีลขาคืออะไรก็คือพิจารณาดูว่าอาหารเนี่ยมาโดยสุจริตหรือทุจริตอันนั้นเป็นอะไรเป็นอาชีวะต่อไปนะปัจเจกไหมอันนั้นก็เป็นศีลอยู่ดีนี่ถ้าสมถะอาหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าวิปัสสนาก็พิจารณาโดยความเป็นขันอาญตนะาธาต์เพื่อที่จะตีรณาปริญญาอีกต่อไปเนี่ยนะเจริญอย่างนั้นไหมไม่เจริญเพราะมัวแต่อร่อยอยู่ อันนั้นแหละเรียกว่ตัญหาฉาบไว้สนิทเลยนะตันหานี้เป็นเครื่องฉาบทาทาวารที่ตันหาไม่ฉาบทาคือทาวารที่โทสะกําลังเกิดปกตินะถ้าเป็นสัตว์ทั่วๆไปนะสมมุติว่าที่เขาไม่มีตันหาเกิดเพราะเขามีโทสะเกิดแทนนะ ไ, ไม่ใช่ว่าเขากุศลเกิดแทนนะโดยมากอันนี้เราพูดถึงโ ด, โดยมากไว้ก่อนเนี่ยนะเรียกว่าตับภูระญญาเนี่ยนะในที่พูดโดยปริมาณที่มากไว้ก่อน นั้นศัตว์โดยมากเนี่ยเมื่อตันหาฉาบทาอย่างนี้แล้วเห็นไหมก็ระลึกถึงทานกนะุศลก็ระลึกไม่ได้ศีลักุศลก็ระลึกถึงไม่ได้สมาธิหรืออาหาเรเรปติกูลสัญญากุศลก็เจริญไม่ได้วิปัสสนาก็เจริญไม่ได้แม้กระทั่งผู้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะขณะที่ตันหายอมเนี่ยนึกถึงธรรมะได้ไหมไม่ได้นึกก็ไม่ได้ จะกล่าวไปใายไม่ได้ศึกษานะขนาดฟังธรรมเรียนธรรมพิจารณาธรรมศึกษาธรรมพอกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญญาไม่รู้หายไปไหนหมดเนี่ยนะเหลือแต่อะไรเหลือแต่ตัณหาล้วนๆที่ไม่มีกุศลเข้ามาแทรกมาสับมาขั้นมาอะไรในระหว่างเลยไม่มีอันตัณหาเนี่ยถ้ากล่าวแบบนิวรเป็นชื่ออะไรกามฉาันทะนิวรน กามาฉันท่นิวรนเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าทําปัญญาให้ทุรพลเนี่ยน ะ, ะงานของปัญหาเนี่ยนะคือทําปัญญาให้ทุรพลก็บอกว่าปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่ต้องเกิดละไอที่เกิดแล้วก็จงจงหายไปเนี่ยนะก็มีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุปัจจัยอะไรหนอแเลยทาให้มนเนี่ยไอที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏไอที่เคยปรากฏชํานาญดีแล้วก็หายไปหมด พงศ์ก็บอกว่ากามาฉันทานิวรเป็นต้นนั่นแหละนะนิวร์นั่นแหละถ้าหากว่าเราทั้งหลายที่อ่านธรร ม, มะศึกษาพระธรร ม, มะเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าเราอ่านเอาไว้เยอะจริงๆนะแค่นิวร์ไม่กลุ่มรุมเท่านั้นเราจะจําได้เกือบทั้งหมดเลยที่เราเคยอ่านเคยเรียนเคยศึกษามานะเมื่อนิวร์ไม่กลุ่มรุมเมื่อไหร่เนี่ยจะจะนึกออกได้เกือบทั้งหมดเนี่ยนะที่มันนึกไม่ออกเพราะนิวรมันกลุ่มรุมไม่หมดแล้วนะมันห้อมันปิดมันกั้นไม่หมด อย่าลืมว่าคนที่ได้ฌานเนี่ยนะแล้วเขาระลึกชาติได้เขาทํำยังไงเขาทํานิวรณ์ให้มันละเขาละนิวรณนให้จิตมันเบาอ่อนคล่องควรแก่การงานเขาก็น้อมไปเพื่อจะระลึกได้ระลึกได้โดยที่สุดแม้ชาติที่เคยเป็นเดรัจฉานใช่ไหมตอนนั้นโงูเขา่าบาปัญญาขนาดไหนก็ยังระลึกได้หมดเลยเห็นไหมระลึกได้แม้กระทั่งชาติที่เคยตกนรกเป็นต้นอ่ะเพราะจิตที่ได้รับการอบรมไม่มีนิวรณ์กลุ่มรมนั้นอ่ะสามารถที่จะระลึกชาติได้ แต่ว่าตันหานี่มันฉาบเอาไว้หมดนะก็บอกว่าตันหาฉาบทวานไหนนะให้ดูว่าสนใจทวานไหนมากตันหาโดยมากฉาบทวานนั้นเนี่ยนะถ้าแต่พูดถึงไม่ใช่ขณะที่เป็นกิจกรรมประเภทกําลังเจริญกุศลเนี่ยนะแตพูดถึงทั่วทวไปนะถ้าใครรูปปัตนหามากนะจะสนใจเป็นพิเศษเรื่องเรื่องสีใครที่สัทธาตันหามากก็จะสนใจเป็นพิเศษเรื่อง เสียงบางคนเนี่ยโหกลิ่นมากเลยนะติดในกลิ่นมากบางคนเนี่ยติดในรถมั่งไม่ค่อยว่างเลยนะไม่ลูก อ, อมอันหนึ่งก็อันหนึ่งนะสลับกันเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยนะนะรัศฐตันหาเนี่ยเกิดร่างโพรมากถ้าพวกธรรมะตันหาก็พวกเนี่ยนักคิดทั้งหลายแหละเนี่ยเนีพวกนี้ก็โดยมากก็เป็นกลม่มธรรมะตันหาถ้าชอบสิ่งใดก็จะใคร่ครวญคุ่นคิดหมกมุ่นกับสิ่งนั้นเนะนะี่ยนี ปกติถ้าตันหาเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าสัตว์โลกชื่อว่าถูกตันหาฉาบทาเพราะเหตุว่าตันหานั้นทําบุคคลผู้ติดอยู่ในอารมณ์ให้ติดในอารมณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็เบียดเบียน ด, ด้วยอาการดังนั้นนะถ้าตันหาเกิดแล้วก็เริ่มเบียดเบียนคนนั้นแล้วใช่ไหมตันหาเป็นเหตุแห่งการแสวงหาอย่านีตันหาเป็นเหตุแห่งการสแสวงหาที่นี้สแสวงหากว่าจะได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายใช่ไหม ไปนึกอยากไอสิ่งที่มันได้ยากเง น, นะโหกว่าจะได้เนี่ยยากเย็นเหลือเกินเทนี้พอได้ทํายังไงก็มาคิดดูได้แล้วจะต้องทํำยังไงบ้างนีนะมาจัดสรรปันส่วนมาแบ่งมาคิดวินิจฉัยพอใจเนี่ยนียก็ในที่สุดเนี่ยถึงได้มาแล้วก็มาเดือดร้อนเพราะการปกปักรักษาคนที่ไปไหนนะอย่างอย่างสมมติในสมัยเนี่ยที่การจราจรขับขั่งเนี่ย ที่ไปไปเนี่ยที่ไม่มีตันหาพาไปนี่หายากนะักเนี่ยนะน้อยเต็มทีที่จะไม่มีตันหาเป็นเป็นเพื่อนคอยกระซิบอยู่เบื้องหลังเขาตลอดนะคอยบอกว่าอ้าวหมุนพวงมาลัยไปนี่นะหมุนไปนั่นนะเนี่ยนะบอกที่นี่อาหารอร่อยนะตรงนั้นดีนะตรงนี้อะก็พาไปเรื่อยแต่ที่สังเกตบอกว่าตันหาถ้าทำให้บุคคลติดที่เหลือแล้วก็จะเริ่มเบียดเบียนนั่นะนะเริ่มเบียดเบียนเนี่ยเดือดร้อนเร่าร้อน กวนก歪อยู่ทุกวันนี่ก็เพราะอำนาจของตันหานั้นผู้ที่มีตันหากลุ่มรุมอยู่ในใจเนี่ยไม่ใช่คนเย็นอะไรหรอกจริงๆเขาร้อนอยู่ตลอดเนี่ยนะเพราะตันหาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะเขามีอกุศลเจตสิกอะไรเกิดบ้างอาหอีริกะก็เกิดใช่ไหมอนโนตปะก็เกิดอุทธจักก็เกิดเนี่ยนะบางครั้งก็สับกับทีนะมิทะด้วยเนี่ยนะแล้วก็เจตสิกทุกดวงเป็นบาปเป็นอกุศลหมดนั้นอกุศลก็ไม่ฉลาดเกิดจากความ ไม่ฉลาดเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลมั้นผู้ที่ถูกตันหาครอบงํากลุ่มรุมเนี่ยนะถ้าตันหาเกิดเนี่ยอะไรตามมาอีกทิฏฐิก็เกิดตามเนี่ยนะเป็นที่เรียกว่าเป็นมูลของทิฐิหกเป็นมูลของมานะเกทีนี้ตันหาที่เกิดเนี่ยเป็นมูลแห่งการสแสวงหาในโลกนี้ด้วยในหนึ่งในขณะเดียวกันตันหาก็เป็นมูลแห่งการเกิดในพบใหม่ด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ ก็ถ้าเกิดมาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีตันหาเป็นมูลทั้งนั้นนะมีตันหาเป็นเบื้องหลังใ น, ใ น, ในการเกิดเนี่ยนะมีตันหาเป็นเบื้องหลังในการปฏิสนธิในทุกภพภูมินะนะพอพอเกิดมาแล้วก็ทุกทั้งหลายแหละก็ติดตามมาคําว่าตันหาโดยทั่ ว, ว, วไปเนี่ยที่ฉาบทาก็หมายถึงความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมรมเนี่ย ความติดความคล่องความลวงแต่สิ่งที่น่าคิดคือตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ให้เกิดเนี่ยนะก็เอาฝึกมาฝึกเจริญฝึกพิจารณาไว้อย่างหนึ่งว่าอารมณ์ทุกอย่างเนี่ย เ, ยเป็นอารมณปัจจัยแห่งการเกิดในภพใหม่หมดเลยเนี่ยนะถ้าตัดตัณหาได้อารมณ์เหล่านั้นจะไม่เป็นอารมณปัจจัยแห่งภพใหม่เลยเนย จะรู้ว่าถ้าตันหาเนี่ยมันร้ายกาดมากเพราะมันเบียดเบียนให้เราไม่ไม่คำนึงถึงว่ามีทุกข์มีโทษมีภัยอะไรอยู่เลยเห็เนไหมตอนที่เราแบบสมมุตินะทุกทุกอย่างนะตอนที่ดีๆอะ่ะสมมติว่าชาติตระกูลดีผิวดีอาหารดีโภคะดีทุกอย่างดีหมดเลยเนี่ยนะคิดอะไรได้สมหวังหมดเลยเนี่ยถามว่าเราจะเห็นเราจะประมาทหรือไม่ประมาทโดยมากก็ประมาท ประมาทก็เริ่มเมาเลยใช่ไหมเมาด้วยอำนาจโคตรตระกูลรูปร่างผิวพรรณวัยสุขภาพก็เริ่มประมาททีนี้ถ้าประมาทอย่างนั้นเอาไปทำกุศลไหมไม่ทำเนี่ยนะกุศลก็ไม่ทําังนั้นที่เหลือก็สมาทานประพฤต์แต่อกุศลเนี่ยนะทีนี้ถ้าประพฤติอกุศลมากๆแล้วนะคำถามที่สี่ก็จะมีต่อไปอีกว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพมันเรียกว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกซึ่งก็คงอาจจะได้กล่าวในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึง่ง